ก็ในช่วงการแนะนำการปฏิบัติจะพยายามต่อไปพยายามตกย้ำดึงบทเรียนที่เราเริ่มต้นให้ทาให้ได้เป็นเรื่องๆไปจ ะ, จะไม่พยายามต่อเรื่องใหม่เพราะบางทีเรื่องใหม่ไปไกลอาจจะสับสนแต่ ว, ว่าเป็นเรื่องเก่าจะทำให้ได้ก็จะทำให้เราโฟกัส เรื่องที่เราทำมากขึ้นนะเท่าที่สังเกตก็คือการผู้ใหม่การสร้างจังหวะยังคือยังยั ง, ยงเป็นความเพลินอยู่มากโดยยามการขึ้นการลงของการเคลื่อนการหยุดพยายามที่จะให้มันผ่อนคลายแต่ว่ามันรู้สึก แต่ถ้ามันผ่อนคลายแบบเพลิพลนๆก็จะไหลไปกับความเพลินแต่ผ่อนคลายแบบรู้สึกมันจะรู้สึกนุ่มและชัดแต่ไม่ไม่ใช่เพง่นนงนะตัวนี้คือรายละเอียดที่เราต้องสังเกตดีด่าเราตั้งใจได้ให้มันช้ากลายเป็นเพง่งแต่แบบช้าแบบไม่เพง่งรู้สึกผ่อนคลายอันนี้เราศึกษาดูแล้วเราถึงการเดิน เดินไปนุ่นมานี่ท่าทีในการเดินอย่างอย่างมีสติกับท่าทีเดยนคำเดินด้วยความเพลินด้วยความดึงตัวก็ต่างกันไปสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆเพราะนั้นสำหรับผู้ผู้ใหม่ต้องพยายามปรับต่างไปเรื่อยๆแต่ผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วก็ต่างทีความเคยชินความเพลินความคล่องตัวจะทำให้เราเพลินได้ง่าย แต่การที่เราตามรู้กับการเพ่งตรงนี้มันจะใกล้เคียงกันถ้าหากตามรู้ตั้งใจเกินไปกลายเป็นเพ่งซึ่งเราค่คอยสังเกตว่าลักษณะไหนรู้สึกมันโปร่งเบาสบายรู้สึกมันชัดโปร่งเบาสบายแต่ชัดแล้วไม่รู้สึกไม่สบายอันนี้ก็เป็นเพ่งอันนี้รนะยายละเอียดตรงนั้นคอยคอยศึกษาและสังเกตไปเรื่อย